พวกเราเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อตอนเป็นโยมวันปีใหม่ก็ไปอยู่วัดมีวันอยู่เธออยู่ตามวัดไม่ไปเที่นหรปีใหม่มาวัดกันเยอะปีใหม่เป็นเวลาที่ควรทุ่ลงโลกสนุกสนานเฮฮาไปความทุกข์ที่ผ่านมาในรอบปีก็พยายามลืมมันไปซะแล้วก็หวังฝันเอา ไว้พรเนกันไปไว้พรันกันมาว่าปีหน้าจะมีความสุขเเรื่องหลอกๆ ก, กันความทุกข์ก็บอกให้ลืมไปให้หมดเลยแล้วก็ไปฝันถึงความสุขในอนาคตแล้วคนในโลกมันก็อยู่กันได้อย่างนั้นปีหน้าก็ทำแบบนั้นกี่ปีก็ทำแบบนั้นเหมือนๆกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราลืมความทุกข์ไม่ใช่สอนให้เรารู้ทุก รู้อยู่กับปัจจุบันไม่ไปทุกถึงอดีตคนส่วนใหญ่ถ้ารู้ทุก็ไปรู้ทุกในอดีตคร่ําครวนจมอยู่ในหพวงของความทุกขนะ์อะไรงี้ยไม่ดีส่วนใหญ่ก็พยายามลืมลืมความทุกข์แล้วมันลืมได้สนิทเลยพอตายนะก็ลืมสนิทเราไม่เคยกลัววัฏตะ ความเวียวายใเกิดเกิดมาทีไรก็ทุกทุกทีแต่เราลืมมันทุกทีเพราะเราเจตนาลืมเราจงใจลืมเราอยากจะลืมแทนที่เราจะลืมทุกไปเรามาทบทวนในรอบปีที่ผ่านมาเราผ่านความทุกข์อะไรมาบ้างถ้าเราคอยทบทวนนะไม่ได้ทบทวนเพื่อให้ใจท้อแท้แต่ทบทวนเพื่อจะได้เห็นว่าจริงๆโลก เลชีวิตเนี่ยนะมันมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดเลยถ้าเราเข้าใจมันนะเราอยู่กับมันไม่ใช่ให้หนีมันด้วยคนส่วนใหญ่พอได้ยินคำว่าทุกข์ก็อยากหนีตลอดแค่นึกถึงยังไม่อยากนึกถึงอยากจ ห, หนีไปให้พ้นพ้นหนีทุกข์ก็หนีไม่ได้จริงหรอกความทุกข์มันตามอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์มันอยู่ที่ใจของเรา มีกายอยู่ก็ต้องทุกข์เราร่างกายมีใจอยู่ก็ต้องทุกข์เพราะจิตใจมีสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยอมรู้ไม่ยอมเห็นนะเราก็หลอกตัวเองก็มีชีวิตยอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่นานก็ผ่านไปปีหนึ่งผ่านไป10ปี50ปีหกเจ็ด ป, ป, นะปีตายตายไปแบบไม่รู้ทุกข์ตายไปแบบยังหลงโลกอยู่เหมือนเดิมหาสาระหาประโยชน์หาแก่นสารอะไรไม่ได้เลย เพราะนพวกเราพยายามทวนนะพยายามทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราแก่คนที่เรารู้จักคนที่เรารักตายไปเท่าไหร่แล้วเราได้พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจมากมายแค่ไหนเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจมากมายแค่ไหนเราลองทบทวนดู เราสังเกตดูความทุกข์มันรุนแรงนะความทุกข์ทางใจมันรุนแรงเวลาที่เรามีความอยากรุนแรงอยากได้อะไรมากๆกก็ทุกข์มากอยากน้อยก็ทุกข์น้อยนะความทุกข์ทางใจมันมาจากความอยากเราอยากอยู่กับคนนี้แล้วพอพลัดลากจากคนนี้เราก็ทุกข์เราอยากให้คนนี้พ้นไปคนนี้ไม่พ้นสักทีเราก็ทุกข์มาจากความอยาก เราอยากได้สิ่งนี้ไม่ได้สิ่งนี้เราก็ทุกข์เราอยากให้สิ่งนี้หายไปสิ่งนี้ไม่หายไปเราก็ทุกข์อีกนั่นมันมาจากความอยากนะความทุกข์ทางใจส่วนความทุกข์ทางกายนะเป็นธรรมชาติธรรมดามีร่างกายก็ทุกข์ต้องทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายเด็กๆ ก, ก็แก่ในที่สุดวัยเด็กก็หายไปไวัยเด็กก็ตายไปในบาหลีเขามีคํานึงคาว่าชั้นแห่งวัย วัยของคนเป็นชั้นชั้ น, นะวัยเด็กเล็กๆตายไปแล้วก <c oughs> ็มีวัยเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยวัยเด็กที่โตขึ้นมาตายไปเป็นวัยรุ่นว <c oughs> ัยรุ่นตายไปเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยหนุ่มวัยสาวตายไปเป็นวัยกลางคนวัยกลางคนตายไปเป็นคนแก่คนแก่ตายเป็นเป็นคนงบงบแกงบนะแกะ่นแกหนักเลยสุดท้ายก็ตายอีกเนชีวิตนะเป็นชั้นชั้น ถ้าเราดูเราจะทั่วไปชีวิตเราได้เดินผ่านชั้นแห่งวัยมาตามลําดับลําดับะพวกเราในห้องนี้ก็พ้นวัยเด็กมาแล้วส่วนใหญ่ใครยังเป็นวัยรุ่นในห้องนี้มีไหมมีแต่รุ่นเก่ากึกครับทั้งนั้นเลยนะรใครถึงกลางคนแล้วใครถึงสามสิบแล้วมีไหมย่อมเหมือนสิเ<ม>นี่ผ่านไปหลายชั้นแล้วนะเหลืออีกไม่กี่ชั้นละนะเอ แล้วไม่ใช่ว่าต้องผ่านครบทุกชั้นถึงจะตายนะไม่แน่หรอกของมันไม่แน่ไม่ชีวิตเราผ่านมาหลายชั้นละแต่ละชั้นลองทบทวนดูสิเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์ตอนเด็กๆ เ, เราน้นว่ามีความสุขเยอะนะแต่ตอนเราเป็นเด็กจริงๆเรารู้สึกไม่ไมค่อยสุขเท่าไหร่มันน่าจะสุขกว่านี้เองใครเคยรู้สึกเสียดายว่าในอดีตนั้นถ้าเราทำอย่างนี้นะ่จะดีกว่านี้ เคยเสียดายว่าเราเสียโอกาสอะไรเงี้ยมีไหมในอดีตเคยเสียโอกาสแล้วนะปัจจุบันอย่าให้เสียโอกาสอีกอดีตเสียแล้วเสียไปปัจจุบันต้องเฉยโอกาสเฉยโอกาสด้วยการที่มาพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ความทุกข์เนี่ยผ่านเรามาเป็นลําดับแล้วเราก็เดินผ่านความทุกข์มาเป็นลําดับลําดับแล้วความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรออยู่ข้างหน้า อย่างพอถึงเวลาที่จะตายเนี่ยเราจะพลัดพลากจากสิ่งที่รักเราจะพิจาไปบางคนจะไปเจอสิ่งที่ไม่รักเลยไม่อยากเจอเลยแต่บางคนจะต้องเจอไม่สมอยากไม่สมหวังทรัพย์สินเงินทองสะสมไว้ตั้งเยอะก็จะกลายเป็นของคนอื่นกระทั่งภรรยาอาจจะไปเป็นของคนอื่นก็ได้สามีไปเป็นของคนอื่นก็ได้นะ เ่เรามีความพลัดพลากมีความสูญเสียรออยู่ในชีวิตของทุกๆคนที่จะต้องเจอไม่มีทางหนีเลยเนยถ้าถ้าเรามาหลอกตัวเองนะสวัสดีปีใหม่โชคดมีมีความสุขนะหลอกได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ความจริงเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเผชิญความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนเราแบบหลอกเด็กนะสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่สอนให้เรามีวุฒิภาวะให้มากพอ ที่จะเผชิญกับความจริงของชีวิตไม่เคยมาหลอกเราบางคนบอกว่าพระพุทธเจ้าหลอกนะว่านิพานนิพานไม่มีจริงอนะ่ะนิพานเป็นโลกอุดมคติที่พระพุทธเจ้าหลอกขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่อจูงใจให้เราทําดีเพื่อสังคมจะได้สงบเรียบร้อยไอ้นี่พูดแบบคนไม่รู้เรื่องนะพูดแบบคนนักคิดเฉยๆไม่ได้ภาวนาไม่รู้หรอกว่านิพานมีจริงๆนะมีอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่เคยหายเลยแม้เพราพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกเด็ก ท่านสอนกรทั้งว่าเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้เรื่องอะไรเราจะจมอยู่ในทุกข์ท่านสอนวิธีที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยการรู้ทุกข์นะอยากพ้นทุกข์ต้องรู้ทุกข์ไม่ใช่อยากพ้นทุกข์แล้วหนีทุกข์หนีทุกข์เราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราก็ไม่ทําเหตุซ้ําเข้าไปอีกเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์งั้นเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์นะเรียนรู้เหตุของทุกข์ เราก็จะรู้จักทางดับสนิทแห่งทุกข์ไมะงั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ทําความผิดทําเหตุของทุกข์ซ้ําซากไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์เราไม่รู้ว่าความอยากเป็นเหตุให้ความทุกข์นั้นเข้ามาสู่ใจของเรานะขันห้าเป็นตัวทุกข์จริงนะแต่ว่าขันห้าอยู่ส่วนขันห้าได้ถ้าใจไม่เข้าไปยึดถือแต่ถ้าใจเข้าไปยึดถือขันห้า รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบขึนเป็นตัวเราความทุกข์จะเข้ามาสู่ใจความยึดถือมาจากอะไรมาจากความอยากความอยากมีกําลังแรงกล้าก็จะเกิดความยึดถือขึ้นความอยากมาจากอะไรความอยากมาจากการไม่รู้ความจริงว่ามันของไม่ควรอยากกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆขันห้าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเป็นของไม่ดีเป็นของไม่ควรอยาก เพราะความไม่รู้คืออวิชานั่นเองความไม่รู้มันทำให้ใจเราอยากอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ความอยากเป็นเหตุให้เกิดความยึดมันจะเข้าไปยึดถือความยึดก็ทำให้จิตใจเนียไปแบกรับความทุกข์ของธาตุของขันธ์มาขันธ์ห้าเป็นทุกขรูปนามกายใจเป็นทุกข์พระอาหารหันต์มีขันธ์ห้าไหมมีแต่ไม่ยึด มีสักว่ามีเป็นยงนั้นเอเพราะงั้นไม่ทุกทางใจเหลือแต่ทุกข์ของขันเกิดใจไม่มีความทุกข์ไม่มีภาระทําไมพระอรหันะต์ใจไม่มีภาระเพร า, า, รพาระรู้แจ้งเห็นจริงนะว่าตัวทุกข์คืออะไรรู้ว่าตัวขันคือตัวทุกข์ตัวรูปนามตัวกายใจนี่เป็นตัวทุกข์ถ้าได้ไม่เข้าไปยึดถือมันพวกเรากลัวทุกข์เกลียดทุกข์ไม่ยอมรู้ทุกข์นะเราก็เลยยึดถือรูปนามกายใจของเราไม่ยอมปล่อยสักทีแล้วก็ฝันฝันเอานะว่าวันหนึ่งมันจะมีความสุข เวลาเจ็บป่วยก็นึกไหมว่าวันหนึ่งจะหายเวลามีความทุกข์ขึ้นมานึกมไหมว่ามันจะต้องหายเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะพ้นละท น, ทนทนไปหน่อยเดี๋ยวก็พ้นละนะเหมือนน้าท่วมบ้านทนะทนทนไปเดี๋ยวน้ําก็ลดอะไรเงี้ยนะไม่รู้หรอกว่าน้ําเลิกท่วมหรืออย่างอื่นก็ามาอีกนะความทุกข์จะเวียนเข้ามาเรื่อยๆเลยงั้นเรามีหน้าที่นะรู้ทุกข์เข้าไปรู้จนเห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจ ถ้าเรารู้รู้เห็นความจริงของาธาตุของขันของกายของใจแจม่มแจ้งนะีใจจะสลัดคืนค่าคืนคืนธาตุคืนขันให้โลกไปนะพอมันสลัดออกไปแล้วเนี่ยขันกับจิตเนี่ยไม่เข้ามาแตะต้องกันนะขันกับใจของเราเนี่ยไม่เข้ามาแตะต้องกันเลยตั้งคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ไปเล ย, ยใจจะเป็นอิสระนะไม่มีภาระความทุกข์ของขันกนะ็คือมันเป็นภาระที่เราต้องแบกต้องหามตลอดเวลานะ อยางรู้สึกไม่ร่างกายเป็นภาระรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าจิตใจเป็นภาระทุนี้ดูยากกว่าร่างกายเป็นภาระร่างกายเป็นภาระบางคนไม่เคยเห็นทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นภาระมากตื่นเช้าขึ้นมาได้ปฏิบัติร่างกายยังไงบ้างนึกออกไหมดูแลมันยังไงบ้างหรือหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องดูแลร่างกายยังไงบ้าง ต้องหาข้าวให้มันกินใช่ไมต้องพามันไปอาบน้ำพามันไปขับถ่ายพามันเวยแต่งเนื้อแต่งตัวเจ็บป่วยต้องพามันไปหาหมออะไรนีสารพัดที่เป็นภาระเลยถ้าวันใดที่เราไม่ยึดถือนะร่างกายมันจะทำงานของมันเองร่างกายเป็นคนไปทำงานร่างกายเป็นคนไปหาข้าวกินร่างกายเป็นคนกินข้าวร่างกายเป็นคนขับถ่ายใจเราไม่เกี่ยวเลย ใจจะเป็นอิสระใจจะมีความสุขมีความโปล่งโลงเบานะงั้นถ้าเมื่อไรเราไม่ยึดถือในกายนะใจก็เป็นอิสระขึ้นมาส่วนหนึ่งละเพราะว่าร่างกายก็รับภาระของร่างกายเองเราไม่ได้ไปรับภาระของร่างกายแต่ว่าเรามืกคิดว่าโอ้ร่างกายนี้เราต้องปลนิบัติมากมายคนไม่ภาวนาไม่รู้สึกหรอกว่าร่างกายนี้เป็นภาระต้องปิบัติมากมายนัปฏิบัติจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นภาระต้องปนิบัติมากมาย แต่ถ้าปฏิบัติเต็มที่นะคืนกายคืนใจให้โลกคืนกายให้โลกได้เนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้เป็นภาระกับร่างกายนะร่างกายเป็นภาระของมันเองร่างกายเป็นคนไปทํางานใช่ไหมร่างกายเป็นคนไปหาข้าวมากินร่างกายเป็นคนกินข้าวมันเคี้ยวจนเมื่อยเลยบางคนมันเคี้ยวจนกลรำเมื่อยไปหมดฟันหลุดไปเลยนะมีภาระมากร่างกายเป็นคนขับถ่ายร่างกายเป็นคนอาบน้ําร่างกายเป็นคนเจ็บป่วยไม่ใช่เราสักอันเดียว เนี่ยถ้าเราใจมันพลากออกจากกายไม่ยึดถือกายแลจะเห็นเลยกายไม่ได้เป็นภาระอีกต่อไปนะจิตใจของเรานะคนทั่วไปไม่เคยเห็นว่าจิตใจเป็นภาระนักปฏิบัติจะเห็นว่าจิตใจเป็นภาระเผลอนิดเดียวนะความทุกข์ก็เข้ามาท่วมใจแล้วเราต้องหาทางแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปนะถ้าวันใดเราไม่ยึดถือในจิตนะจิตจะไม่เป็นภาระอีกต่อไปนะแล้วถ้าเมื่อไรไม่ยึดถือจิต ไม่เพียงแต่จิตจะไม่เป็นภาระนะสิ่งใดในโลกก็จะไม่เป็นภาระกับเราอีกต่อไปแล้วนะมีบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งนะบอกว่าภาราะเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระขันธ์ทั้งหก็คือรูปธรรมร่างกายนีนะ้ความรู้สึกสุขทุกข์ความจําได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วแล้วก็ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคือตัวจิตนั่นเองตัววิญญาณ ขันทั้งห้าเป็นภาระคนทั้งหลายเนี่ยแบกภาระเอาไว้ก็เลยไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราเป็นคนไปแบกไว้นะขันทั้งห้าเป็นภาระเป็นตัวทุกข์จริงแต่ว่าเราไปแบกไว้เราก็เลยมีความทุกข์พระอริยะเจ้าคำว่าพระอริยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์พระอริยะเจ้านะวางภาระลงแล้วคือไม่ยึดถือขันทห้าแลก็ไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีก พระระยะเจ้านะคือพระรอรหันต์ก็เลยพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นขะันทั้งห้านี้เป็นภาระขันทั้งห้านี้เป็นตัวทุกข์เราต้องเรียนต้องรู้ต้องเข้าใจมันนะถ้าเราได้เรียนได้รู้ได้เข้าใจความจริงของขันทั้งห้าแล้วเนี่ยใจจะไม่เข้าไปยึดถือพาใจไม่เข้าไปยึดถือนะมันจะไม่มีภาระเข้ามาสู่ใจเราเลยร่างกายก็เป็นภาระของร่างกายไปนะ ชีวจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ไม่มีอีกต่อไปนะความทุกข์ไม่มีอีกต่อไปความปรุงมันปรุงของมันขันมันปรุงของมันแต่ใจเนี่ยไม่มีอะไรเข้ามากระทบไม่มีอะไรปรุงแต่งใจได้อีกนะแต่ขันเนี่ยปรุงแต่งได้คิดได้พระอรหันต์ก็คิดได้ไหมคิดได้สารพัดนะมีความปรุงนะไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างมีพระอรหันต์เนี่ยนนในใจของพระอรหันต์จะมีเวทนาสองอย่าง พระละหันนั้นมีสมนัตเวทนามีความสุขเนี่ยสมนัตเป็นของปรุงไหมมีแต่ว่าท่านมีสมนัตเป็นอย่างนั้นท่านไม่เข้าไปเสพสมณัตนะมีความพอใจมีความสุขแล้วก็พระละหันมีอุเบกขาเวทนามีสองอย่างมีสมนัตคือความสุขทางใจแกมีอุเบกขาทางใจนะเป็นกลางพวกเรามีสมนัติเรามีโทมนัตความทุกข์ทางใจนะแล้วก็มีอุเบกขา เพราะอะไรทำไมโท ม, มนั์ทุกทางใจเกิดขึ้นมาได้ทุกโท ม, มนั์เกิดขึ้นได้เพราะว่าเข้าไปอยากเข้าไปยึดนั่นแหละทำไมเข้าไปอยากเข้าไปยึดเพราะไม่เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจนั่นแหละนะงาหน้าที่พวกเรานะพยายามมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจก็คือการเรียนรู้ทุกนั่นเองนั้นใครเขาบอกให้ลืมความทุกไปนะอย่าไปลืมนะให้เราไม่ไปคิดถึงทุกในอดีตนะ อาจจะทบทวนได้ว่าเออชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผ่านความทุกข์มาแล้วเนี่ยเพื่อจะมาสอนตัวเองในปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือรู้ทุกข์อยู่ในปัจจุบันอะไรบ้างเป็นทุกข์ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เรามีความรู้ทุกข์ในปัจจุบันก็คือรู้ในร่างกายนี้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึก ก็รู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไม่นานเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หายใจไปนะหายใจไปนึกว่าจะดีพิเศษเลยโอ้ร่างกายนี้มีภาระมากต้องหายใจตลอดเวลาเป็นภาระนะกครร่างการหายใจก็เป็นภาระร่างกายต้องยืนเดินนั่งนอนร่างกายต้องเปลี่ยนอิริยาบถไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่เปลี่ยนไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนนะความทุกข์ทางกายจะรุนแรงจะท่วมทับเห่าทันทีเลยกระทั่งการหายใจก็าหายใจเพื่อห น, นีความทุกข์ทางกายนะ หายใจออกไปก็เกิดความทุกข์กข็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ของการหายใจออกหายใจออกแล้วก็เกิดทุกข์ก็ต้องหายใจเข้านะเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกสลับกัน Beauty ไปเรื่อยนะหายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์เลยต้องสลับกันต้องเปลี่ยนการหายใจไปเรื่อยเพื่อหนีความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินนะไปนอนเปลี่ยนอิริยาบถนอนนึกว่าจะมีความสุขแล้วนอนก็ไม่มีความสุขจริง นอนไปเดียวก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะเพราะอะไรทำไมต้องพลิกเพราะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตัวอิริยาบถการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของเรานี่แนะมันเลยปิดกั้นทําให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ของร่างกายเราโนะยกเว้นแต่เจ็บป่วยหนักๆเนี่ยเปลี่ยนอริยาบถอยู่ในอริยาบถอะไรก็ทุกข์หมดเลยนะแต่พอหายป่วยเราก็ลืมไปไม่อยากสนใจเนะนี่ยลงมาดูนะในร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ตัวเวทนาความสุข ความทุกขความเฉยๆล่ะมีความสุขเกิดขึ้นนะถ้าภาวนาให้ดีจะเห็นเลยความสุขเกิดขึ้นก็เกิดความเสียดแทงทางใจความสุขนั่นแหละมันเสียดแทงใจทำให้ใจเสียสมดุลนะถ้าไปหาดูใครเคยเห็นตัวนี้บ้างว่าความสุขก็เป็นภาระถ้าวันหนึ่งเห็นเลยกระทั่งความสุขก็เป็นภาระนะความสุขเป็นของที่ต้องรักษาไหมถ้าไม่รักษาแป๊บเดียวก็หายนะ ขนาดพยายามรักษายังหายเลยนะความสุขก็เป็นภาระนะความทุกข์มีภาระไหมเป็นภาระไหมความทุกข์เกิดขึ้นมีภาระมากมายเลยเพื่อจะให้หายทุกข์ใช่ไหมอุเบกขามีภาระไหมเบกขาอยากรักษาจิตให้มันไม่สุขไม่ทุกข์นะให้มันสบายอยู่นิ่งๆไม่สุขไม่ทุกข์สบายก็เป็นภาระรักษาไม่ได้จริงถ้าดูลงไปนะกระทั่งความสุข ความทุกขนะ์ความเฉยๆนะกระทั่งสูง inee, สวยคือความสุขนะยังเป็นภาระเลยเป็นภาระที่ต้องแสวงหามาเป็นภาระที่ต้องรักษาไว้เป็นภาระรานระที่ต้องโหยหามันตอนที่มันหายไปนี่มีแต่ภาระทั้งหมดเลยนะร่างกายก็เป็นภาระ เ, รเวทนาก็เป็นภาระต้องดิ้นรนหาความสุขต้องดิ้นรนหนีความทุกข์ต้องดิ้น ร, น, น, รนรักษาความเป็นกลางของจิตไม่สุขไม่ทุกข์เลยมีเรื่องต้องทาต้องดิ้นทั้งนั้นเลย เป็นภาระทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายทั้งๆ ท, ท, ที่ดิ้นเต็มที่ก็รักษามันไว้ไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจความจําเป็นภาระไหมเวลาต้องจําอะไรมากๆ ม, มีภาระไหมเวลาจะสอบใครยังนึกถึงวัยเป็นนักเรียนได้ต้องท่องหนังสือนะเป็นภาระนะจะจําอะไรก็เป็นภาระนะถ้าความจําหายไปลำบากอีกนะ จะาจำไว้ก็เป็นภาระโดยเฉพาะถ้าจำชื่อภรรยาผิดนะเรียกชื่อผิดเนี่ยโอ้ภาระหนักในชีวิตจะเกิดขึ้นเลยนะหนักหนาสาหัสจะเกิดขึ้นทันทีและไม่มีอายุความด้วยนะเป็นภาระทั้งหมดเลยนะกระทังการจะจำก็เป็นภาระความปรุงแต่งก็เป็นภาระนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายไปเป็นภาระนะ ความโลภเกิดขึ้นอยากให้หายไปเป็นภาระความหลงความฟุ้งซ่านใจมันจะฟุ้งซ่านอยากให้มันไม่ฟุ้งเป็นภาระไหมนะมานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแทบตายยังหนีไปฟุ้งเลยนะจิตชั่วก็เป็นภาระนะเพื่อจะต้องปัดเป่ามันจิตดีก็เป็นภาระมันไม่ยอมดีสัทีอยากให้มันดีนะพยายามเร้าใจให้มันคิดถึงแต่เรื่องดีๆ คิดถึงพระพุทธเจ้านะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงอะไรนี้พยายามคิดเผลอแป บ, บเดียวไปคิดถึงมาร น, นะีคิดถึงเรื่องไม่ดีเห็นไหมใจมันเป็นภาระนะกระทั่งความดีเกิดขึ้นจนะนรักษาไว้ก็เป็นภาระนะเวลาที่เราเกิดวิริยะวันนี้เกิดขยันอยากปฏิบัติใครเคยเป็นไหมวันนี้อยากปฏิบัติตั้งใจเลยจะปฏิบัติทำหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยวันนี้วิริยะไม่เที่ยงนะ วิทยาไม่เที่ยงนะผ่านไปห้านาทีวิทยาหนีไปแล้วที่เหลือแต่ทุกข์ทรมานแนละ้วเมื่อไหร่มันจะหมดชั่วโมงนะทีการที่จะรักษาวิิยาให้คงตัวอยู่ไม่ใช่ง่ายเห็นไหมรักษาไม่ได้อะ่ะปลอบนะขยันเดินนะเดินบูชา พ, พระพุทธเจ้านะอะไรเนี้ย ส, ส, สอนสอนสอ น, สอนมันแป๊บเดียวมันบอกเลยนั่งก็บูชาได้โอ้อ้าวเอ า, เอามันสินะวิิยานะ สัจจะอะไรนี่โอ้อธิฐานะความตั้งใจมั่นในการทําความดีรักษายากนะขันติอะไรเนี่ยบารมีทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ง่ายตั้งใจรักษาศีลแป๊บเดียวศีลขาดใครเคยเป็นมัางนะตั้งใจรักษาศีล น, นะพอพระให้ศีลเสร็จก็คุยแข่งกับพระนี่ศีลขาดไปคล้องแล้วนะนะพูดเพ้อเจอ้อนะเนี่ยก็ทั่งความดีนะจะรักษาก็เป็นภาระนะ ความชั่วจะขับไล่มันก็เป็นภาระนะจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยจะวิ่งไปทางทวารทาั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคลื่อนไปตลอดเวลาเดี๋ยววิ่งไปดูรูปเดี๋ยววิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยววิ่งไปคิดอย่างเงี้ยอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาสลับไปสลับมาตลอดเวลาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเนี่ยเป็นหลักเลยความจริงเคลื่อนไปได้6ทวาร น, นะเคลื่อนไปดมกลิ่นก็ได้ไปลิ้มรสก็ได้ไปรู้สัมผัสทางกายก็ได้ แต่ถ้าไม่มีกลิ่นอะไรฉูดฉาดขึ้นมานะจิตก็ไม่สนใจนะไม่มีรสอะไรโดดเด่นขึ้นมาจิตก็ไม่สนใจอย่างพวกเราเนี้ยอมน้ําลายอยู่ตลอดเวลานะรู้ไหมน้ําลายรสชาติเป็นไงไม่รู้เลยเพอชินเห็นไหมเหม็นตัวเองนะบางคนตัวเหม็นมากเลยนะไม่ได้กลิ่นหรอกคนอื่นเขาได้กลิ่นเพราชินเห็นไหมเนี่อของอะไรพอชินชินนะไม่ม็นก็ไม่รู้สึกหรือร่างกายเราอยู่เฉยๆก็ไม่รู้สึกยุงมากัดเจ็บก็ค่อยรู้สึกถึงร่างกาย ยิ่งปกติเนี่ยมันจะไปรู้ทางตาทางหูทางใจนะส่วนทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยถ้าไม่มีอะไรแรงๆมากระทบไม่ค่อยสนใจหรอกจิตจะไปทางตาจิตจะไปทางหูจิตจะไปทางใจเ้าเที่ยวของเขาตลอดเวลาถ้าเราจะพยายามไม่ให้เขาไปทางไหนจะให้เขาอยู่ที่เดียวเป็นภาระไหมเป็นภาระนะเราจะมาฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวไม่ให้มันร่อนเร่ออกไปให้มันรู้สึกตัวอยู่ ฝึกยากนะเป็นภาระนะแต่เป็นภาระที่ต้องทํานะเพราะฉะนั้นบางอย่างเป็นภาระที่ต้องทําบางอย่างเป็นภาระที่เลิกได้ก็เลิกไปเลยนะภาระทางบวกภาระทางดีเป็นภาระก็ต้องทําไว้ก่อนเป็นงานที่ต้องทำเป็นภาระทางชั่วก็อย่าไปทํามันรู้ทันมันก็ทิ้งมันไปเลยขันทั้งห้านี้เป็นภาระกระทั่งจิตของเราจะรักษาให้มันดีรักษาให้มันสุขรักษาให้สงบก็เป็นภาระจะห้ามมันชั่วนะ ห้ามันฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยก็เป็นภาระจะให้สงบอยู่ตลอดก็เป็นภาระมากเลยห้ามฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้นะสั่งให้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยห้ามยากพวบผมยากมันเป็นภาระทั้งสิ้นเลยทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบแต่ว่าภาระฝ่ายบวกต้องทำนะเพื่อวันหนึ่งจะได้ก้าวพ้นไปนถ้าเราไม่ทำทำงานทางบวกนะใจจะไปทาทางลบ ยังไงก็ต้องทํางานเพราะมันมีหน้าที่ทาออํางานถ้าอย่งนั้นเราพามันทําทางบวกไว้ก่อนทําฐานรักษาศีลทําสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กันกนกกตัวจเจริญปัญญาดูความจริงของกายของใจอันนี้เป็นงานที่ต้องทำเขาถึงเรียกว่ากรรมฐานนะกรรมม ก, ก็คืองานนั่นแหละกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของการงานนะก็มีสองฐานนะฐานของสมถะฐานของวิปัสสนางานที่ต้องทำนะคือสมถะวิปัสสนามีงาน ต้องทําไปก่อนแล้ววันหนึ่งก็พ้นหมดงานมีกิจที่ต้องทํานะแต่เมื่อทําเสร็จแล้วจะจบพระละหาันเวลาบรรลุพระละหันในพระใจปิดกท่านจะบรรยายไว้บอกกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วเห็นไหมมีกิจนะมีพวกเราเป็นปุถุชนหรือเป็นโสดาสกาัาคาอนาคานี่มีกิจที่ต้องทําพระละหันเนี่ยกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วนะกิจอื่นเพื่อความอย่างเ ป, เป็นอย่างนี้คือความบริสุทธิ์หลุดพะนะ้นไม่มีอีกนะ ไม่อกชาติสิ้นแล้วความเกิดเนี่ยสิ้นแล้วนะความเกิดคืออะไรการที่จิตเข้าไปยึดถือรูปธรรมนามธรรมายึดถืออาตาหูจมูกลิ้นกายใจนะัยึดถือขันห้าเข้ามาเป็นตัวกูของปูนะเรียกว่าความเกิดความเกิดสิ้นแล้วนะพรมมจรรันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจบแล้วจิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มี เพ้าะ่อนที่จะมาถึงจุดนี้มีกิจที่ต้องทำมันบางคนเข้าใจผิดนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเลยบอกไม่ต้องทําอะไรจิตดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยนะถ้าเราไม่ปรุงอะไรแล้วก็จิตที่หลุดพ้นเลยอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ทําอะไรเลยนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกรรมวาทีเป็นสิ่งที่มีเรื่องที่ต้องทำนะไม่ใช่อคริยะอคริยะไม่ต้องมีอะไรเลยอยู่ๆก็พ้นไปเลยนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐินะ งั้นถึงจะต้องเป็นภาระก็ต้องทําให้ก่อนนะธรรมถากับวิปัสสนาเนี่ยแต่ว่าอย่างขันห้านี่มันเป็นภาระเราไม่รู้เท่ารู้ทันเข้าไปยึดถืออันนี้เป็นภาระที่ต้องรู้เท่าทูทันนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจรู้นรู้ความจริงของธาตุของขันลงไปเรียนแล้วเรียนอีกนะถึงวันหนึ่งมันปิ้งขึ้นมามันปิ้งจริงๆนะมันขณะเดียวที่เข้าใจพวกเราเคยไหม อ่านหนังสือหรือคิดเรื่องอะไรที่ยากๆอ่านหนังสือตั้งนานอ่านแล้วอ่านอีกันแล้วอ่านอีกจุดที่เข้าใจนะแวบเดียวเข้าใจขึ้นมานึกออกไหมมันแวบเดียวที่เข้าใจอ๋อใครเคยอ๋อย่างงี้บ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะแค่นี้เองเวลาที่เราภาวนาก็เหมือนกันนะเรามีหน้าที่ดูกายดูใจดูธาตุดูขันมันดูความจริงของมันเรื่อยไปนะถึงจุดที่มันอ๋อคือจุดที่มันได้เกิดอริยมรรคแล้วมันอ๋อมันปิ๊ง ในขณะเดียวเท่านั้นเองเวลาที่เรียนรู้นะั้นยาวไกลนะแต่เวลาที่เข้าใจนะั้นชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะนั้นหะน้าที่พวกเราเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเข้าใจในขณะจิตใจเพราะฉะนั้นหะน้าที่เราเนี่ยเรียนรู้ความจริงของกายของ ใ, องใจใ ห, ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกในจิตใจของเราไว้เรื่อยๆนะอย่าลืมมัน เราจะได้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเมื่อไหร่เราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจนั้นเราก็ไม่มีทางเห็นหรอกไม่มีได้โอกาสบรรลุมรรคผลอะไรเลยงั้นพยายามรู้สึกกายพยายามรู้สึกใจดูความจริงของกายดูความจริงของใจเรื่อยๆไปความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เห็นร่างกายเห็นจิตใจไม่เที่ยงเห็นร่างกายเห็นจิตใจนั้นถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เห็นร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกนี่แหละ รู้ไปเรื่อยนะจุดแห่งความเข้าใจนี้ชั่วขณะเท่านั้นเองชั่วขณะแวบเดียวฟ้าแลบนานกว่านะฟ้าแลบยังนานกว่าในขณะแห่งอริยมรรคเร็วมากเลยแวบเดียวเท่านั้นเหมือนที่เราอ่านหนังสือยายาๆแล้วความเข้าใจเกิดนีเกิดในแวบเดียวนะปีใหม่นะภากเพียนเข้ารู้สึกกายรู้สึกใจ ดูความจริงของกายของใจให้มากก็เรียกว่ารู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แกมแจ้งก็จะได้พ้นทุกข์ถ้าหนีทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์เลยเพราะหนีทุกข์เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นตัวทุกข์ไม่รู้ว่ากายใจเป็นตัวทุกข์เราก็ไม่รู้เหตุของทุกข์ว่าเราไปยึดถือกายใจก็เลยทุกข์เมื่อเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์นะเราก็จะทําความผิดซ้าแล้วซ้าเล่าเราก็จะเกิดตัณหาซ้ําแล้วซ้ําเล่าเกิดความยึดถือในกายในใจซ้าแล้วซ้ําเล่า เราก็จะไปแบกเอาธาตุเอาขันเนี่ยเอาตัวทุกเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวกูของกูแล้วก็ทุกซ้าแล้วซ้าเล่าอยู่งั้นเองนะยิ่งน่ะพยายามเรียนรู้ทุกนะใครเขาอวยพรปีใหม่ขอให้มีความสุขขอบใจแต่สติปัญญารู้ทันเป็นไปไม่ได้หรอกให้โชคดีนะในใจเรารู้เลยคําว่าโชคไม่มีในเกณฑ์ไหมหลวงพ่อไม่เคยพูดคําว่าโชคเลยตั้งแต่เป็นฆราวาสนะมันฝังลึกอยู่ในใจเลยคําว่าโชคไม่มีหรอก สวยก็ไม่มีไม่มีมีแต่กรรทั้งสิ้นเลยทําเอาเองทั้งนั้นเลยยันเราไม่หวังอะไรลมๆมแหล้งแหงนะไม่หวังว่าพระจะมาช่วยเราไม่หวังว่าคําอวยพรทั้งหลายและทั้งคําอวยพรของหลวงพ่อจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้เราต้องช่วยตัวเองฟังธรรมะที่ถ่ายทอดแบบซื่อๆตรงๆอย่างนี้แหละแล้วไปลงมือเรียนรู้ป่ายรู้ใจซื่อๆตรงๆไปแล้ววันหนึ่ง มันจะพ้นทุกข์ไม่ต้องมีใครอวยพรเราทำดีเป็นการอวยพรตัวเองแล้วอเชิญไปกินข้าวนี่มนเลยครับนี่มน